สิการบอกเคลื่อนศิกขาด้วยการใช้คำอ้างวัตถุที่ระลึก17บท47่วงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุกขสรรไม่ยินดีปรารถนาจะสึ่อึดอัดเบื่อนายรังเกยียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือขัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระศักยาบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาพเจ้าระลึกถึงมารดาวงเล็บสองบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเขาพเจ้าระลึกถึงบิดาวงเล็บสบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงพี่ชายน้องชายวงเล็บสบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงพี่สาวน้องสาววงเล็บหบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงบุตรวงเล็บ6ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงธิดาวงเล็บ7ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงภรรยาวงเล็บ8ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงหมู่ญาติ วงเล็บ9กพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงหมูมิตรวงเล็บ10บพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงบ้านวงเล็บ11บพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงนิคมวงเล็บ12บพิสูจบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงนาวงเล็บ13บพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงสวนวงเล็บ14บพิสูุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงเงินวงเล็บ15บพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงทองวงเล็บสิกพิชิุบอกให้ผู้อืนรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงศิลปะวงเล็บสิบเิชิุบอกให้ผู้อืนรู้ว่าข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะการเจรจาการเล่นในครั้งก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา